คนที่จะเลิญวิปัสสนานั้นต้องรู้อารมณ์หกอารมณ์วิปัสสนาคือให้รู้ขันห้าอายกณ 12, า 18, ัณฐ์สิบสองธาตุสิบแปดสิบสียี่ยี่สิบสองอริยสัจสีปฏิจจสมุปบาทให้รู้อันนี้ถ้าไม่รู้อันนี้จะเิญวิปัสสนานไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ให้เรามีความรู้สึกกันนี้เองสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นมาเองโดยเป็นธรรมชาติไม่ยกเว้นจริงๆ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 ความไม่รู้นั่นแหละมันก็จะคอยลดไปลดไปลดไปหรือว่าหมดไปหมดไปหมดไปอย่างนี้ความรู้สึกกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแ้ะทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงเรียกว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้น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 คำวมาทานในที่นี้หมายถึงคนอื่นพูดเข้ามาให้เราเราเฉยได้นั่นแหละเรียกว่าทานได้เพราะลักษณะจิตใจของคนนั้นมันเสยอยู่แล้วที่มันไม่เรยนั่นแหละเรียกว่าเราลืมเราหลงเราไม่เห็นมันก็เลยไปกรรมเอาไปจับเอาไปติดเอาท่านเรียกว่ามันมีอุปท า, านแต่ความจริงอุปท า, านไม่มี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 รู้จำมาจากพ่อแม่ครูบาจารย์หรือตำลักําลาอันนั้นไม่ใช่ถึงคนลูกของเรารู้เท่าใดแก้ทุกไม่ได้แต่ว่ารูา้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริจงนั้น ร, รู้น้อยก็ตามแก้ปัญหาตัวเองได้จริงๆเรื่องนี้การปฏิบัติให้ถึงที่สุดของทุกนั้นไม่หยาในตาําราพูดเอาไว้มีอยู่ในหลักสูตรนักธรรมสัจเอกแต่ตัวของผมหรือตัวของตามา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 ถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันในปัจจุบันพบนี้สองเป็นพระอนาคามีววาอย่างแต่เราไม่ต้องเป็นอะไรทั้งหมดเลยเราจะมาแก้ปัญหา่้นไม่มีหุบพระนักขอแล้วที่ได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิใจวันนี้ก็เห็นว่าพอเหมาะพอดีกับพวกเราที่จะมา ป, ปฏิบัติจัดตั้งจิตตั้งใจลงทำกันจริงๆผลของมันนั้นจะได้รับเท่าที่ผู้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 มันขึ้นคูแล้วจึงทำได้ถ้าไม่ขึ้นคูเราทำไม่ได้ตอนนั้นก็เลยนอนพอดีทำไปก็เลกนอนไม่พอใจนึกในใจขึ้นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องทำจะทำอะไรไม่ทราบพอดีนอนตื่นประมาณตีสามหรือตีสองนี่แหละก็เลยลุกขึ้นมาก็เลยทำทำจริงจรเราจะทำจริงๆริงทำเพื่อความรู้แจ้ง ไม่ไม่ตั้งจิตตั้งใจเหมือนเดิมนะแต่ก่อนนั้นคืออยากมีฤทธิ์อยากมีเดชอยากเป็นผู้มีซื้อเสียงเกียรติยศอะไรต่างๆคิดอย่างนั้นตับตั้งตัวขึ้นมาคราวนี้คือไม่ต้องการอยากมีสื้อมีเสียงอะไรทั้งนั้นอยากรู้อยากเข้าใจว่า พ, พระพุทธเจ้ารู้เรื่องอะไรเห็นเรื่องอะไร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 ไม่ให้มีว่างลุกเคลื่อนก็ให้มีความรู้สึกนั่งลงมีความรู้สึกเคลื่อนไหววิธีใดก็ตามให้มีความรู้สึกควมตื่นตัวอยู่เสมอวิธีอย่างนี้ถ้าปฏิบัติจริงๆนั้นเรียวกว่าวิธีอุปกกตวิธีอุปเกตคือไม่ให้เผยตัวนี่เองเราต้องมีสติคอยติดตามการเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถ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 ที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นคำว่าพระพุทธเจ้านั้นมันมีอยู่ในเราคือจิตใจที่สะอาดจิตใจที่สว่างจิตใจที่สมุบนันแหละคำว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบนือนจะคล้ายๆคือสีวิตชีวิตของทุกคนนั่นแหละมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีควา ม, มวุ่นวาย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 ปฏิธรรมเมนิธิต่างๆหรือใครที่ไหนก็ตามมีความคิดว่าจะปฏิบัติธรรมเพื่อทํำลายความเมืองผิดรับรองว่าถ้าทําจริงๆแล้วไม่นานเคยสอนมาแล้วเรื่องนี้จึงรับรองคําพูดของตัวเองได้วัดลองพระพุทธเจ้าได้พระพุทธสอนเรื่องนี้จริงๆวัดรองร้อยตัวสร็ไม่ผ่า